คือคนเข้มแข็งความทุกยากลำบากทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นฉันนั้นท่านอาจารย์วสินอินทศระแม้ว่า วันเดือนปีมันจะผ่านพ้นไปยาวนานสักบานใดก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องสมมติแต่ถ้าว่าชีวิตของเราเนี่ยยังมีปัญหายังมีความทุกข์อยู่แล้วก็เราต้องมาทำตรงนี้คือมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพของทุกๆชีวิตเลยก็ว่าได้เราคือผู้ที่สแสวงหาสแสวงหาอะไร สแสวงหาความดับทุกข์หรือสแสวงหาความสุขก็ได้ เ, เมื่อทุกข์ดับไปแล้วนี่ก็จะเกิดเป็นความสุขขึ้นมาแทนที่บางท่านอาจจะเห็นว่าเราไม่มีความทุกข์เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเรามาปฏิบัติธรรมในยามที่เราไม่มีทุกข์นีย่ยิ่งดีใหญ่เลยเราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันทาง้นจิตใจเอาไว้ต่อสู้เมื่อเวลาความทุกข์ มาเจอเจอเราที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนจะได้มีสติสัมปชัญญะเอาไว้เตรียมพร้อมที่จะจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราฉะนั้นเราคือผู้ที่แสวงหาแสวงหาทางที่สว่างของชีวิตก็เลยมาร่วมกันเจริญสติในขณะนี้ปัจจุบันนี้ให้เราเจริญสติไปกับการฟังก็ได้ขณะนี้กําลังฟังอยู่เนี่ย ก็มีสติรู้สึกตัวอยู่กับการฟังเราปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยเราหาเอาง่ายๆเอาใกล้ๆตัวนี่แหละนอนก็เจริญสติได้กำลังนอนฟังอยู่เนี่ยฟังก็รู้สึกว่ากำลังฟังถ้าจะให้ดีนะขยับมือเคลื่อนไวหวไปมาเล็กๆน้อยๆให้รู้สึกตัวไปกับการฟังด้วย แปลการเคลื่อนไหวด้วยก็ยิ่งดีใหญ่นอนก็ปฏิบัติทมได้ยืนก็จเจริญสติได้นั่งก็จเจริญสติได้เดินหรือกระทำอะไรก็ตามเนี่ยให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนั้ น, นก็เท่ากับว่าเราจเจริญสติได้แล้วทุกอิริยาบททุกอา ก, อาการของกิริยากายและก็ใจเราสามารถที่จะ มีสติได้เสมอๆหาเอาง่ายๆใกล้ๆตัวเรานี่แหละเราไม่จำเป็นจะต้องยึดติดยึดมั่นว่าจะต้องไปปฏิบัติที่วัดที่สํานักปฏิบัติหรือที่อื่นใดๆที่สงบอันนั้นไม่จําเป็นไม่จําเป็นถ้าเราปัจจุบันนี้อยู่ที่นี่เราก็ทําที่นี่แหละเอาไว้รอเวลาเมื่อเรามีโอกาสไปแเ้าก็ไปแต่ตอนนี้เราก็ทําที่นี่ก่อนเพราะชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ย จะมีอาการคล้ายๆกันมีการเดินการดื่มการเคี้ยวการเคลื่อนไหวอาบน้ำแต่งตัวซักผ้ากวาดพื้นอะไรเนี่ยเรามีอิริยาบถคล้า ย, ายกๆกันซ้าๆกันเราพยายามฉวยโอกาสเอาอิริยาบถเหล่านี้มาฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆอย่างเช่นว่าเนี่ยสมมติาาว่าเราทานข้าวเนี่ย การทานข้าวเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้ทานข้าวที่บ้านบางครั้งต้องไปทานข้าวที่ร้านอาหารที่ทำงานหรือที่ดิ้นใหญก็ตามเนี่ยเรามีอิรลียบที่ทานข้าวเนี่ยได้ทุกคนทุกแห่งเราลองมาเจริญสติไปกับการทานข้าวดูสิเราทำได้ไหมซึ่งเป็นชีวิตประจำวันของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหน จำเป็นมากนะท่านผู้ฟังเรื่องการทานข้าวอย่างมีสติเนี่ยเราลองสังเกตดูสิบางคนเนี่ยทานข้าวเหมือนกันแต่จิตใจเนี่ยต่างกันต่างกันที่ว่ามีสติหรือไม่หรือขาดสติเนี่ ย, ยอันนี้เราจะรู้จะเห็นชัดจเจนเลยเพราะบางท่านเนี่ยอาการทานข้าวอยู่ภายนอกแต่จิตใจเนี่ย วิตกกังวลเราดูสีหน้าก็รู้มือกำลังตัดข้าวเข้าปากแต่ใบหน้าเนี่ยเคร่งเครียดกังวลเนี่ยอันนี้แสดงว่าคาสติในการทานข้าวเป็นทุกในการที่กาลังทานข้าวทั้งที่อาหารนั้นก็ดูแลว้วน่าจะอร่อยอร่อยแต่ว่าใบหน้าเนี่ไม่บอกเลยว่าอร่อยบอกถึงความวิตกกังวลอย่างเงี้ยมันจะสู้แมวไม่ได้นะเนี่ย แมวนี่มันกินปลาทูอย่าง อ, อร่อยอร่อยเพราะเราขาดสตินั่นเองบางท่านนี่ก็ทานข้าวด้วยความรีบร้อนรีบเร่งดูแล้วลุกลี่ลุกลนไม่งามขาดสติเนี่ยเราจะรีบไปไหนบางครั้งเราไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไร ไม่ใช่เกิดมาต้องรีบแล้วก็รีบแล้ววันไห้จะเลิ ก, กรีบสะทีให้เรามาทานข้าวอย่างมีสติทานเร็วก็ได้ให้มันรีบเย็นซะบ้างอย่ารีบร้อนเนี่ยอันนี้แปลว่าขาดสติดูแล้วไม่งามบางท่านเนี่ยดูอาการทานข้าวก็รู้ว่าอร่อยอร่อยแต่ว่าเป็นความอร่อยที่ขาดสติกัน ลูกปีลูกโลนไม่งามคล้ายๆกับอาการของคนตะกละตะกลามอย่างนั้นแหละดูแล้วก็เหมือนจริงๆนะสมัยช่วงปีใหม่นี่ก็จะต้องมีการทานขนมเค้กตักเค้กแล้ว เ, เอาช้อนจิ้มกัาไปที่เค้กตักขึ้นมานะบางทียังไม่ทันถึงปากเลยขนมเค้กร่วงใสบนที่แขนแล้วก็ รีบเอาแขนที่มีเคตวางอยกขึ้นมาที่ปากแล้วก็งับอะไรเมื่ออาการเมือ่อะไรไม่ทราบดูแล้วไม่งามนี่เป็นอาการของคนขาดสติทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสติเมื่อไหรลนะ้วก็มันจะไม่งามดูแล้วไม่งามแต่ดูพระกุญฑ์เจ้าเวลาทัานฉันฉันเรียบร้อยฉันยังมีสติสำรวมเห็นไหมดูแล้วไม่งามเราเห็นก็ศรัทธาถ้าเราทานข้าวอย่างขาดสติ ทานอาหารหรือดือด น, น้ำอย่างขาดสติเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดนะผิดพลาดในงานนั้นๆั้นเนี่ยบางีเราเคี้ยวอย่างขาดสติเคี้ยวลิ้นของตัวเองบ้างกัดลิ้นกัดริมฝีปากอันนี้ก็เกิดจากการรีบร้อนขาดสติตั้งนั้นอัอนนี้คือทุกโทษของการขาดสติในขณะที่ลังทานอาหารรีบเคี้ยวท้องขึ้นท้องอื่นอาหารยังไม่บดละเอียดอย่างเรียบร้อยเลยเ รีบกลืนเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วมันก็เกิดอา ก, การเป็นทุกข์ในด้านร่างกายใจเราก็พลอยเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาจเจริญสติอาการทานอาหารดูก่อนเนตรียมตัวอย่างเรียบร้อ ย, ยอาหารตั้งเอาไว้ตรงหน้า เ, เราก็ให้รู้สึกตัวอยู่ในหน้าที่ที่กำลังทานอาหารของเราเให้รู้รอ บ, รอบ รู้แบบคลุมๆแบบ ร, มรวมๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเพ่งไปจ้องในส่วนใดส่วนหนึ่งรู้อยู่ในหน้าที่ของการทานข้าวรอบโต๊ะรอบตัวของเราเนี่ยให้มีปัจจุบันอยู่ตรงนั้นก่อนเนี่ยทำใหม่ๆ ใ, ให้เริ่มรู้ตรงนี้ก่อนพอเรารู้ไปนานๆเนี่ยเราจะรู้ละเอียดขึ้นะละเอียดยังไงจับช้อนก็รู้ อช้อนตักอาหารก็มีสติเอาอาหารเข้าปากก็มีสติเคี้ยวก็รู้สึกตัวรู้รสชาติของอาหารก็รู้สึกตัวกลืนอาหารลงไปก็มีสติเนี่ยกระบวนการเหล่านี้เรามีอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกมื้ออาหารแต่เราไม่เคยรู้ถึงขนาดนี้เลย แต่ว่ามันอาจจะรู้ละเอียดเป็นหน่อยแต่ต่อไปทำไปนานๆเนี่ยจะรู้ได้จิตใจมันจะละเอียดขึ้นละเอียดแม้กระทั่งความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทานอาหารอร่อยก็มีสติได้ไม่อร่อยไม่ชอบก็มีสติเกิดความคิดในขณะที่กำลังทานอาหารเราก็สามารถมีสติรู้ได้เราไม่ห้าม ในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งกายหรือแม้กระทั่งความคิดแต่เราสามารถรับรู้รับทราบได้พยายามให้มีปัจจุบันอยู่กับการทานอาหารของเราตรงนั้นเสร็จ แ, แล้วจะดื่มน้ําก็รู้สึกตัวจบการทานอาหารบางครั้งอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆแต่ถ้าว่าเราทําจนจนานารแล้วเนี่ย จะเกิดความเคยชินจะใช้เวลาที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราหาอเรียบที่ง่ายๆในแต่ละวั น, นจะซักผ้ากวาดบ้านอาบน้ําแต่งน้าแต่งตัวเราก็สามารถเติมสติได้ในแต่ละวั น, นให้ทําแบบง่ายๆทําทแบบสบายๆรู้แบบปล่อยๆวางๆจิตจะสดใสจิตมันจะเบา รู้แบบบางวางปล่อยๆจิตมันจะเบาจะสดชื่ น, นการปฏิบัติเนี่ยจะมีแต่ความสดชื่นสดใสบางคนปฏิบัติทำไปดูหน้าตาไม่สดชื่นหน้าเคร่งเครียดหน้านิ่หวหัวคิ้วผูกโบอะไรดูแล้วไม่งามไม่น่ารักคล้ายๆก็ว่าเป็นคนเก็บกฎอย่างนั้นธรรมะมีแต่เรื่องการปล่อยวาง ใบหน้าต้องสดใส ย, ยิ้มยิ้มเนี่ยปฏิบัติไปทายิ้มยิ้มไปเนี่ยจะได้มีความสุขในการปฏิบัติดังที่พุทธภาษีกล่าวไว้ว่าธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้ว ย, ย่อมนำสุขมาให้